เพราะพระพุทธองค์ผู้รู้แจ้งแทงตลอดเยยงสัพพัญญูเจ้าทั้งหลายรับรองไว้หนักแน่นว่าถ้าทำจริงต่อให้บารมีน้อยเท่าน้อยก็ต้องถึงที่สุดได้ในเจ็ดปีทุก อ, อักษรในหนังสือเล่มนี้ยืนอยู่บนฐานเดียวกับวิธีตั้งคำถามหามักผลดังกล่าวหนังสือเล่มนี้จะได้แสดงตามลำดับตั้งแต่เดือนแรกไปจนถึงเดือนที่เจ็ด